นับปฏิปัสัมเพตาพระเตจตาริสกะว่าด้วยองค์43ของภิกษุที่สงไม่พึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุ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 แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่2ภิกษุทั้งหลายสง์ไม่พึงระ ง, งับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ต้องอาบัติที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตอีก2 ต้องอาบัตอื่นทำนองเดียวกันอีก 3. ต้องอาบัตที่เลวทามกว่านั้น 4. ตํตำหนิกรรมตําตำหนิภิกษุผู้ทำกรรมภิกษุทั้งหลายสงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมดที่สาม ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบได่องค์5อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ยินดีการกราบไหว้ของปกตะทตะภิกษุ 2. ยินดีการลุกรับของปกตะทตะภิกษุ 3. ยินดีการประนมมือของปกตะทตะภิกษุ 4. ยินดีสามีจิกรรมของปกตะทตะภิกษุ 5. ยินดีการนำอาสนะมาให้ของปกตะทตะภิกษุภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่4ภิกษุทั้งหลาย สงไม่พึงระงับอุเคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ยินดีการนำที่นอนมาให้ของปตัตตะภิกษุ 2. ยินดีน้ำล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของปตัตตะภิกษุ 3. ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าของปตัตตะภิกษุ 4. ยินดีการรับบาทและจีวรของปกตัตะภิกษุ 5. ยินดีการที่ปกตัตะภิกษุถูหลังให้ในคราวอาบน้ำภิกษุทั้งหลายสง์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหลหมวดที่ห้า ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยศีลวิบัติ 2. ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยอาจารวิบัติ 3. ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ 4. ใส่ความปักกตตะภิกษุด้วยอาชีววิบัติ 5. ยุยงปักกตตะภิกษุให้แตกกันภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่พิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่หกิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต แก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัตสอใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถี 3. คบพวกเดียรถี 4. ีไม่คบพวกภิกษุ 5. ไม่ศึกษาสิกขาบทของภิกษุภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนียกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์หเหล่านี้แลหละบทที่7ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบไดยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. อยู่ในอาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปักตตะภิกษุ 2. อยู่ในสถานที่มิใช่อาวาดที่มีเครื่องมุงบังเดียวกันกับปกักตตะิิษุ 3. สามอยู่ในอาวาตหรือสถานที่มิใช่อาวาดที่มีเครื่องมุงบังเดียวกันกับปกักตตะิิษุ 4. สเห็นปกักตตะิิษุแล้วไม่ลุกจากอาสนะห้ารุกรานปกักตตะิิษุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหาร ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับอุเคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหละบทที่8ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8อีกอย่างหนึ่งคือ 1. งดอุโบสถแก่ปกระตะภิกษุ 2. งดปวรารณาแก่ปกตตะภิกษุ 3. ทำการไต่สวน 4. เริ่มอนุว า, าทาธิกรห้ 5. ขอโอกาสภิกษุอื่น 6. โจทย์ภิษุอื่น 7. ให้พิกษุอื่นให้การ 8. ชักชวน ก, นกันก่อความทะเลาะภิกษุทั้งหลาย สงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แลนับปฏิปัสัมเพตัพระเตจัตาลีสกัตในอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตจบ